แตกตายตามการจากจรตามกรรมสิ่งที่คุณกำลังมีคู่ควรแล้วกับสิ่งที่คุณเคยทำสิ่งที่คุณกำลังทำสมควรแล้วกับสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมเก่าการเกิดที่แตกตา่าง ช่างดูไร้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลใดๆถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมใหม่จุดจบที่แตกต่างช่างดูไร้เหตุผลต้นปลายใดๆคนทั่วไปมองความตายเป็นเรื่องพิเศษสมควรที่โลกจะต้องรับรู้การจากลาชั่วนิรันดร์ของเขาหากทราบว่าอาจต้องตายแบบไม่เป็นที่รับรู้จึงเกิดความสงสารตัวเองเป็นพิเศษ ประมาณว่าโท่ชีวิตบัตรศพดูสิตอนอยู่ก็ไม่มีความสำคัญแม้ตอนจะตายหายไปก็ไม่มีใครแลเห็นทำไมน่าอนาถขนาดนี้จินตนาการไปไกลถึงขั้นเห็นศพตัวเองนอนอวดซากอย่างจงครึมอาจเป็นภูเขานอนหรืออาจเป็นแหล่งผลิตกลิ่นน่าคลื่นเหียนหาลงห่อหุ้มการอุจารไม่ได้แต่สำหรับคนไม่กลัวความโดดเดี่ยว งานที่ชอบใจบางอย่างอาจต้องลุยป่าลุยเขาหรือออกต่างจังหวัดรับหูรับตายาดมิตรเขาก็ไม่มีเวลาคิดว่าตัวเองอาจตายในท่าไหนเมื่อไรอย่างไรอาจตายใต้ต้นไม้ตรงไหนสักแห่งที่ไม่มีคนเดินผ่านอาจตายเพราะถูกฟ้าผ่าขณะไต่เขายักแย่ยักยันหรืออาจตายเพราะโดนยิงขณะทาหน้าที่นักข่าวถ่ายภาพคนอื่นยิงกันทุกความเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องหน้าพรั่นพรึง รับเท่าที่งานอันเป็นที่รักพาไปค น, าคนเหล่านี้อาจไม่มีกระทั่งจินตนาการในหัวว่าตัวจะตายดีหรือตายทุเรศในสายตาคนอื่นเพราะเห็นว่าเนื้อหาของความตายก็คือความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสมอกันส่วนคนอยู่ข้างหลังจะเห็นละวิภาควิจารณ์ต่างๆน า, น า, นาสนุกปากแค่ไหนก็ช่างประไรใช้ชีวิตต่างกาันมุมมองต่างกาัน ในหัวก็เห็นความเป็นกับความตายต่างกันการใช้ชีวิตเริ่มจากวิธีคิดวิธีจินตนาการและวิธีตั้งมุมมองของแต่ละคนซึ่งเผยออกมาเป็นวิธีพูดกับวิธีกระทำการจนได้ไม่ช้าก็เร็วโดยย่นย่อใครมีเจตนาอย่างไรตัวตนก็เป็นอย่างนั้นผลอันควรแก่ตัวตนก็เกิดขึ้นอย่างนั้น เจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้หากสร้างตัวตนอันเฉื่อยชาควรคู่กับความเหงาหงอยความเหงาหงอยก็เรียกหาเสมอแต่หากสร้างตัวตนอันกระตือรือรน้นควรค่ากับความเรื่นเริงความเรื่นเริงก็จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดไป เวลาคุณตายคนแรกที่เห็นไม่ใช่เพื่อนของคุณไม่ใช่ญาติของคุณไม่ใช่คนรักไหนๆของคุณแต่เป็นกรรมของคุณเองกรรมของคุณไม่มีตาเห็นไม่มีใจรู้แต่เขาอยู่กับคุณในที่ที่คุณตายไม่ว่าอยู่อย่างเดียวดายหรือห้อมล้อมด้วยญาติมิตรคุณจะเห็นเขาด้วยความเป็นนิมิตมาจุราชหรือเทวดาหน้าตาอย่างไรก็ตาม เขาจะเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอโดยขั้นแรกสุดคือทำให้คุณตายอย่างเศร้าหมองหรือเบิกบานแม้คุณเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องรู้ไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องเชื่อว่าตายแล้วไปไหนแต่คุณคงอยากเป็นสุขก่อนตายในไหนต้องเกิดแบบร้องไห้แล้วจะตายทั้งทียิ้มย้มเสียหน่อยจะเป็นไร กับคนเชื่อเรื่องกติข้างหน้ายิ่งแล้วใหญ่ความสุขก่อนตายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดเพราะใจที่เป็นสุขเป็นใบรับประกันใบเดียวที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าจับต้องได้ความสุขใกล้ตายจะทำให้คุณนึกถึงตัวเดินทางเฟิร์สคลาสหรืออย่างน้อยก็ชั้นบิสเนสของสายการบินระดับโลกขณะที่ความทุกข์ใกล้ตาย จะทำให้คุณนึกถึงตัวขัดขาดที่ซื้อแบบลวกลวกรีบรีบเพื่อขึ้นขบวนรถไฟสกปรกเห็นเห็นอยู่ว่าแออัดยัดเยียดยิ่งกว่ารถที่ขนหมูไปเชือดตอนยังอยู่ใจคุณจะนึกถึงจิตก่อนตายว่าเป็นความใกล้ดับแต่เชื่อเถอะครับใกล้ตายจริงๆใจคุณจะนึกถึงการเดินทางต่อทำนองเดียวกับที่วินาทีนี้ คุณจะไม่รู้สึกใกล้ชิดกับการหลับฝันไม่เห็นการหลับฝันโดยความเป็นการเดินทางอันยาวนานหลายชั่วโมงไปสู่ที่หมายคือการตื่นนอนต่อเมื่อใกล้หลับจริงๆคุณจะสัมผัสถึงความเคลิ้มความรวยแรงและความดิ่งลงถึงการรอที่จะตื่นขึ้นในอีกลหลายชั่วโมงข้างหน้าการใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างทุกวันนี้ คือตัวกำหนดว่าคุณเลือกให้กรรมแบบไหนเห็นคุณก่อนระหว่างกรรมสว่างกับกรรมมืดหากคุณสมัครใจจะให้กรรมมืดนำทาง<ม>ก็จะมีปกติก่อ ก, กรรมดำไว้มากโดยไม่ต้องแคร์ใครไม่ไปสนใจเตรียมตัวรับความจริงสุดท้ายแต่หากเผื่อใจอยากให้กรรมสว่างนำทางทำนายได้ว่าคุณต้องสูนกระแสโลกมาไม่น้อย เรียกว่าพยายามกัดฟันทำกรรมขาวไม่ได้ขาดซึ่งก็ดีแล้วคุณจะเป็นผู้ให้คำตอบแก่ตนเองในขณะเข้าได้เข้าเข็มว่ากรรมขาวเท่านั้นกระทำจิตให้สว่างเบิกบานอบอุ่นและเชื่อมัน่นไม่ใช่กรรมดำเลยที่ทำให้เป็นสุขก่อนตายเยี่ยงเดียวกับคนเห็นตัว First Class ในมือย่อมรู้สึกชัดเจนอยู่เองว่าเดียวได้นั่งสบายได้ถ่ายสะดวก ได้พวกร่วมเดินทางหน้าตาดีได้มีปลายทางที่จเจริญแล้วเพราะเที่ยวบินที่มีชั้นเฟิร์สคลาสคงไม่พาไปลงสนามบินกลางสงครามของบ้านป่า น, นาเถือนอย่างแน่นอนแต่หากเที่ยวบินนั้นไม่พาไปไหนเลยกรรมขาวก็จะไม่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกเดียวดายก่อนดับแดดคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างคนมีอะไรทำเสมอเพราะบุญกุศล ย่อมนำทางเฮตตาสว่างได้แต่เดี๋ยวนี้ว่ามีอะไรน่าทำบ้างมีอะไรควรหลีกเลี่ยงบ้าง